วันอาทิตย์ที่31มีนาคมพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่ออาจารย์สุเทพโพธิสัต t าท่านสาธุชนที่เคารพพระสูตรวันนี้เราจะนำเอาพระสูตรที่ 4.5 อยูระสูตรลำดับที่ห้าของหมวดที่สี่มีชื่อว่าปฐมอวิชชาปฏิยาสูตรแปลตามชื่อสูตรก็แปลว่าเรื่องอวิชชาเป็นปัจจัยที่หนึ่งที่หนึ่งหมายถึงสูตรที่หนึ่งเนื้อหานั้นก็ว่าด้วยทิฏฐิในปฏิยาการปฏิยาการนั้นแปลว่าอาการที่เป็นปัจจัยและอาการในที่นี้หมายถึงส่วนแห่งธรรมประเภทแห่งธรรมเช่นอจรามรณะเป็นอาการหนึ่ง ชาบเป็นอาการหนึ่งอวิชาเป็นอาการหนึ่งอาการเหล่านี้มีอํานาจที่จะทําให้เกิดผลได้อาการเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยได้เพราะอาการอาการนั้นจึงชื่อว่าปฏิจจยาการอาการจึงไม่ได้แปลว่าอาการกิริยาแต่หมายถึงส่วนหรือประเภทแห่งข้อธรรมหน้นหนึ่งหรือในหน่วยหนึ่งทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดซึ่งก็หมายความว่าแม้พระพุทธเจ้าจะทรงกระจาย สภาพของธรรมที่คุมกันขึ้นเป็นชีวิตของเราเนี่ยออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนที่เรียกว่ากระจายคณะสัญญาออกมาจากความเป็นกลุ่มก้อนแล้วคนที่มีความเห็นผิดก็ยังเอาความเห็นผิดในลักษณะที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยเข้าไปใส่สภาวะธรรมเหล่านั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยลูกเวทนาสัญญาทังขานยิน ญ, ญาน เพื่อแสดงความไม่ใช่อัตต า, าตัวตนก็ยังอาจมีบุคคลบางคนที่สําคัญว่าขันบางขันยังเป็นตนอยู่เช่นวิญญาณขันเป็นตนอย่างนี้นะหรือว่าทรงแสดงว่าร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุมีจักษุจักขูดธาตุเป็นต้นถึงมโนธาตุบางคนก็ยังอาจจะคิดว่าธาตุนั้นเป็นอัตตาถือเธาตุนั้นธาตมีเป็นอัตตาแม้เรื่องปฏิจจา ก, ก็เหมือนกันทรงกระจาย ชีวิตของเราแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชีวิตของเราเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนแห่งเหตุผลคือเป็นหน่วยหลายหน่วยด้วยและแต่ละหน่วยที่คุมขึ้นเป็นชีวิตนั้นเป็นกระบวนการของเหตุผลด้วยก็ยังมีพระซึ่งฟังรธธพระพุทธเจ้าแสดงทำอยู่ในกลางนั้นยังเอาความเห็นในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตนเนี่ยมาใส่กับปฏิจจสมบบาทถึงแม้ว่าจะเป็นรูปของคาถาม แต่ว่าคำถามที่ถามนั้นย่อมแสดงถึงพื้นฐานของความเห็นผิดอย่างเป็นตัวเป็นตนของพระผู้ถานนั้นประสูตรนี้มีความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกเป็นสองส่วนในส่วนแรกนั้นเป็นส่วนที่แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเห็นผิดซึ่งมีผู้เห็นผิดได้แก่ที่สู่รูปหนึ่งไม่ปรากฏชื่อ และเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบแล้วก็ได้ทรงแสดงส่วนที่สองที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่สามนะคือกล่าวถึงคู่ละความเห็นผิดในปฏิยาการซึ่งก็หมายความว่าเท่ากับพระพุทธเจ้าโดยทรงบอกว่าความเข้าใจการเรียนเรื่อง ป, ปฏิยาการหรือปฏิจจ า, านั้นเรียนแล้วใส่ความเห็นผิดก็มี แต่ที่ถูกนั้นจะต้องศึกษาเพื่อถอนความเห็นผิดออกจากปัจจัยาการแต่ละองค์แต่ละองค์ให้ได้จึงจะเป็นการถูกต้องในพูทธประสงค์เราก็ย้อนกลับมาดูเบื้องต้นของสูตรเป็นลําดับไปในเบื้องต้นของสูตรนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มด้วยการแสดงปัจจัยาการอย่างสังเขตคือแสดงแต่เพียงองค์และไม่มีอธิบายเป็นอย่างอื่น ก็เลยภิกษุรูปหนึ่งได้ถามต่อจากนั้นเนื้อความก็มีว่าพระผู้มีพระภาคก็ทัดนะพระเชตวันอารามกองท่านอนาถบดิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาได้ตรัสว่าดูก่อนวิสูตทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณและแสดงธรรมอื่นๆองค์อื่นๆต่อไปด้วยในที่นี้เราก็ย่อไว้เนื่องจากว่าได้พูดกันมาบ่อยแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ที่ได้สรุปว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลจะมีด้วยประการอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าอบทสรุปตรงนี้เป็นการประกาศว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบขึ้นจากส่วนหลายส่วนอันหนึ่งสองส่วนหลายส่วนเหล่านั้นมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผล กดนุนเกี่ยวเนื่องกันประการหนึ่งและสามกลุ่มแห่งกระบวนการของเหตุผลหลายหน่วยเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของดีท่านเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นของที่ควรกําหนดรู้แล้วเป็นของที่ควรสลัดออกเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือชีวิตเป็นทุกเหต ผลใดที่เนื่องด้วยกับชีวิตเหตุผลนั้นจึงเป็นเหตุผลของกองทุกเหตุผลในทางสร้างทุกถ้าเราตัดกระแสเหตุผลได้ก็เชื่อว่าตัดกระบวนการแห่งกองทุกในระดับสูงนะตรงนี้เป็นเรื่องระดับสูงก็แน่แล้วว่าเราเองยังไม่มีปัญญาชั้นสูงเราก็ไม่เห็นทุกชั้นสูงไม่รู้จักทุกสันสูงไม่รู้จักกลัวทุกชั้นสูงไม่คิดที่จะบับัดทุกชั้นสูง และเห็นเป็นสุขไปเสียด้วยซ้ำก็มีเป็นอันมากเรื่องนี้ถึงเราจะยังไม่ยอมรับก็เพียงแค่ว่าฟังหลักการไว้ก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่ากาแต่พระองค์ผู้เจริญชรามรณะเป็นฉัไหนและชรามรณะนี้เป็นของใครพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตั้งปัญหายัางไม่ถูกก็ อธิบายตัวนี้ซะก่อนว่าที่ตราสว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกเนี่ยมันแปลว่าตั้งปัญหาไม่ควรปัญหาไม่เหมาะสมก็ได้ ท, ไทําไมถึงว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกเพราะว่าปัญหานี้เป็นคําถามที่ถามในลักษณะที่เรียกว่าถามจากรากฐานที่เข้าใจผิดนะเหมือนว่าคน <c oughs> ชี้ไปที่ ว่างเปล่าแล้วก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรปัญหานี้ไม่สมควรถามตั้งปัญหายังไม่ถูกนะที่แปลอย่างนี้ไม่สมควรเลยเพราะอะไรถึงไม่สมควรเพราะว่าเขาหมายถามเอากับสิ่งที่ไม่มีหรือที้ไปที่รูปปั้นแล้วก็บอกว่าคนคนนี้นิสัยดีหรือนิสัยไม่ดี คนคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครรูปปั้นรูปเนี่ยฮเป็นคําถามที่ไม่ควรก็ระอะไรเพราะว่ารูปปั้นนั้นไม่ได้มีตัวตนไม่มีตัวตนที่จะบอกว่าเป็นคนนี่ไต ย, ยังไงเป็นอะไรต่างๆที่จะถามอย่างปเป็นตูวเป็นตานี้ใครไปตอบเข้าคนนั้นก็ไม่ต่างจากคนถามนะเพราะฉะนั้นคนตอบที่ ตตอบอย่างทีงควรนจะต้องให้เขาตั้งเงื่อนไขหรือวางขอบเขตของคำถามกับสิ่งนั้นให้อยู่ในกรอบที่จะตอบได้ที่สมควรจะตอบท่านจึงว่าตั้งคำถามไม่ถูกทีนี้ในลูกคำถา ม, ามที่เราดูมีอยู่สองขยักเนี่ยนะว่าชารามรณะเป็นไนและมรณะนี้เป็นของใครสองประเด็นที่ถามเนี่ยที่จริงอาจรยกถาท่านก็บอกว่าประเด็นแรกน่ะไม่ผิด ไม่จริงถามไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องถามไม่ควรถามนะถ้าถามแค่ว่าชารามรณะเป็นจะไหนถูกใช่ไหมเป็นคําถามถูกเป็นคําถามที่ควรแล้วพระพุทธเจ้าเองบางทีที่เราได้ผ่านสูตรมาแล้วว่าเมื่อทรงรแสดงสูตรนี้ก็ทรงยกปัญหาขึ้นถามเองตอบเองว่าดูก่อนวิสูตทั้งหลายชาลาและมรณะที่เราได้กล่าวแล้วนะชาามรณะนั้นเป็นจะไหนก็จะอธิบายเอง แต่คําถามหลังนั้นไม่ควรเลยทําให้คําถามแรกเสียไปด้วยอาตถาว่างันนะที่บอกว่าชราและมรณะนี่เป็นของใครของใครโดยปรมัติตเนี่ยมันไม่มีแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้เยอะหน่อยทีหลังแต่เอาเอาความตรงนี้ก่อนว่าอาตถาาท่านแก่ว่าคําคถามแรกควรคําถามหลังไม่ควรเพราะคําถามหลังไม่ควรจึงทําให้คําถามแรกเสียไปด้วยเหมือนกับบุคคลที่ เตรียมถาดอาหารทองคำบรรจุโพชนะอันประนีตเต็มภาชนะทองคำนั้นแล้วอย่างดีแล้วเอาก้อนอุดจระมาวางบนยอดข้าวนั้นให้อาหารทั้งถาดทูซาโม่ทั้งถาดนั้นกลายเป็นของเสียไปทันทีและจะไม่ให้ใครฉันได้ไม่มีใครจะต้องเททิ้งทั้งถาดฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัส ให้ถอนคำถามนั้นทั้งหมดเลยถือว่าใช้ไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็เปรียบเทียบไว้ดี <c oughs> เอาละคราวนี้มาดูบทอธิบายพระเจ้ทาที่จะทรงตรับที่ผิดที่ถูกที่ความควรไม่ควร <c oughs> ของคำถามนี้ว่าเพราะอะไรอยู่ตรงไห น, น <c oughs> คือพูดถึงว่าชาลาและมรณะเนี่ยเป็นของใครนะ่ะ ถ้าถามว่าพูดได้ไหมอาตันตอบไว้ในใจก่อนเดี๋ยวค่อยพูดกันตัดต่อบไปว่าดูก่อนภิกษุ <c oughs> ไม่มีคําว่าทั้งหลายเพราะว่าพิสุรูปเดียวผู้ใ ด, ดพึงกล่าวว่าชรามรณะเป็นชนไหนและชรามรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชรามรณะเป็นอย่างอื่นและชราโมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคําทั้งสอง ข อ, องคู่นั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยญจะนะเท่านั้นดูก่อนวิกษุเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อันนั้นสตรีละก่อนนั้นความอยู่พระพุทธพระมารการไม่มีหรือกล่าวว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพอย่างหนึ่งสตรีละอย่างหนึ่งความอยู่พระพุทธพระมารการย่อมไม่มีดูก่อนวิษุตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยส่วนกลางไม่ข้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีเจรามรณนะอ่านี้ก็ง่ายๆทันทัแต่ว่าลึกมากเป็นเนื้อความลึกมากลําพังคนอ่านแต่พระไตรปิฎกเนี่ยก็เข้าใจได้โดยยากแหละและถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อความในพระไตรปิฎกจุดที่เป็นขันถีเป็นปัญหาที่ท้าทายการวิจัยแต่ว่าตอนนี้นะเราเราพูดกันได้แล้วนะแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ มํมข้อแทจริงไว้ค่อนข้างจะมิดเน้นหน่อยนะอันนี้ก็ในใจ ท, ทางอธิบายโดยลําดับต่อไปนี้ว่าผมถามว่าชรลาและมรณะคืออะไรเอาอย่างง่ายๆเนี่ยเราเข้าใจได้ใช่ไหมว่าอะไรคือชรลาอะไรคือมรณะแล้วก็เราเรียนหน่อยแล้วก็รู้มันมีสองชั้นชั้นหยาบอย่างที่พูดพูดกันรู้รูกันที่กลวกลวกันแล้วก็ชั้นละเอียด อย่างผู้ที่ปฏิบัติเทียนกันผู้ที่เรียนหลักฤิฎีก็พอเข้าใจได้นี่ <c oughs> ทีนี้ถามว่าชาลาและมรณะของใครเนี่ยเราก็พอพูดได้ใช่ไหมโดยธรรมดาเนี่ยว่าฟันหักเกิดขึ้นกับผมหนังเหี่ยวเกิดขึ้นกับผมผมหงอกเกิดขึ้นกับผมผมหมดชาลาและมรณานั้นเป็นของผมใช่ไหมโดยธรรมดาเขาบอกว่าใช่เป็นของผม ผมก็ได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดนะมีความฉลาดในอัตราส่วนตลอดหลายกระตามเกิดขึ้นกับใครคนอื่นก็โชวชวฉลาดนั้นก็เป็นของคนนั้นไม่ใช่ของคนอื่นนั <c oughs> ่นถ้าชี้ไปที่คนหนึ่งพวกนี้แกนี่ของใครเราก็บอกของเราหรือของใครก็แล้วแต่อย่างนี้พูดได้ใช่ไหมตอบว่าได้แต่ ไอ้ได้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการกล่าวโดยสมมุติจริงๆโดยปรัมมัสเนี่ยมันมีบุคคลผู้เป็นเจ้าของนั่นเจ้าของนี่อยู่โดยแท้จริงหรือไม่ที่เราเป็นอัตตาในทางหลักศาสนาในปฏิเสธอัตตาตัวตนที่แท้จริงตัวเราก็ดีเทวดาก็ดีเดลฉายก็ดีเทพเจ้าชั้นสูงชั้นต่ำก็ดีก็เป็นแต่เพียง เหมือนกับกองกวางกองฟังที่คุมกันขึ้นมาจากอะไรอะไรหลายอย่างเป็นตุปลื้อออกหมดแล้วก็หาแก่นไม่ได้หาตัวตนอัตตาไม่ได้ก็หมายความว่าในเมื่อตัวเราเองเนี่ยไม่มีตัวตน <c oughs> อะไรอะไรที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นเอกเทศจากความเป็นสิทธิของใครนี่แหละไม่ว่าจะว่าผม จะออกหรือไม่หงอกมันก็ไม่ใช่ของใครฟังจะขู่หรือไม่ขู่มันก็ไม่ใช่ของใครความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ใช่ของใครในโดยหลักทางศาสนาโดยเนื้อแท้มันเป็นอย่างนี้บังคับบัญชาไม่ได้และไม่ใช่ของใครไอ้ที่ว่าใช่นะ่ะมันเป็นใช่ในความรู้สึกที่เห็นผิดเท่านั้นเองก็หมายความว่าของทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ของใครนี่มันไม่ได้แปลว่าเรามีอัตตาตัวตนอยู่แต่เรายึดเอาอะไรเป็นสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเท่านั้นบางเ้นแต่หมายความว่าตนก็ไม่มีด้วยตนเนี่ยไม่มีแล้วจะไปยึดอะไรมาเป็นของตนก็ไม่มีความยึดมันก็ยังเอาตัวมันเองเป็นตัวมันเองไม่ได้เป็นของตัวมันเองไม่ได้ ใช่ไหมเราเลี้ยงความยึดไว้ได้ไหมเอาความยึดไว้ได้ไหมยึดความยึดเป็นสาระได้ไหมความยึดเนี่ยอยู่กับเราท้าววอนหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ได้เพรอย่างเดียวมันเหมือนแขนของเราเนี่ยไอ้ที่มันไปยึดของของเราที่ไปใส่สร้อยนะ่ะทั้งสร้อยทั้งค อ, ง ท, งองทั้งแขนทั้งมือทั้งสิ่งที่มือไปฉกสวยมันล้วนแล้วแต่ว่าไม่ไม่มีเจ้าของ ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเป็นแต่ความรู้สึกวิปราดเท่านั้นเหมือนคนบ้าที่สำคัญตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่ของนั้นของนี่เป็นของตัวเองนะนี่เป็นเป็นบทเข้าถึงของผู้ที่เห็นแล้วตามความเป็นจริงอย่างนี้บอกมาเพราะฉะนั้นชะลานั้นไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครที่เป็นสภาวะที่แท้จริงที่แสดงความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธในฐานะที่เป็นการพูดแบบเอาจริงเอาจังที่เรียกว่าปรามาทาบารไม่ควรพูดคุยกันอย่างปรามาทไละอยากพูดอย่างนี้คำนี้พูดในวงปรามาทไม่ได้ในวงวิปัสนาไม่ได้ แต่พูดในทางโลกๆเนี่ยพูดได้พระลางก็พูดแต่ท่านก็รู้ท่านพูดแล้วท่านไม่ยึดถือพูดไปอย่างนั้นแหละเหมือนอการ์ตูนที่มันเรียกตัวเองว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเหมือนบุคคลที่อยู่ในตอนจอหนังเรียกว่าเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีสมมุติเรียกกันไปอย่างนั้นเองไม่มีตัวที่เป็นเจ้าของคาพูดนั้นอยู่จริงๆอ่าที่นี้ในบทอธิบายที่ที่ สันตรับต่อไปเนี่ยที่จะเข้าเข้าเข้าใจยากในเชิงธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่ยากแล้วสําหรับพวกเรานะคือว่าคําถามนี้นะจะพึงกล่าวว่าชร า, าและมรณะนี้เป็นของใครก็ดีหรือพึงกล่าวว่าชร า, ามรณะเป็นอย่างอื่นและชรานมรณะนี้เป็นของผู้อื่นทำทั้งสองนี้มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันแม่พระเยซูไม่ได้ต่างกั น, ห ม, มนหมายความว่า อชาลาและมรณะเป็นอย่างอื่นตรงนี้มันบั ง, งเอิญเป็นภาษาเฉพาะในทางพระไตรปิฎกฟังแล้วเนี่ยคนไม่เข้าใจหลักชัดเจนในขั้นว่าปรมาสุโโหารเนี่ยสมมตโโหานแล้วตีความตรงนี้งงนะเหมือนอ่านมระไตรปิฎกใหม่ๆงงไม่รู้ตีความก็ไม่หลอดสติที่ว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยในภาษาพูดตรงนี้ มันมีความหมายว่าผมอธิบายจากที่เรารู้สึกได้เข้าใจได้อย่างธรรมดาก่อนว่าเรากับของของเราอื่นจากกันใช่หรือไม่ภาษาที่เราพูดโลกโลกรถของเรากับเราเจ้าของรถอันอื่นจากกันหรือไม่เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเราเป็นรถรถเป็นเราหรือเปล่าไม่เวลาพูดแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ย ของที่ถูกแสดงความเป็นเจ้าของกับผู้เป็นเจ้าของคนละอันกันอื่นจากกันอันเนี้ยในภาษาพระไตรปกเรียกอื่นจากกันเหมือนกับโลกพูดเราลูกเราเราสามีเราเราอะไรของเราก็ตามถ้าพูดอย่างนี้แล้วแปลว่าคนละส่วนกันและแม้แต่พูดถึงอะไรที่อยู่ในตัวเองยังพูดด้วยความรู้สึกยังเป็นคนละส่วนเลยเป็นแต่เพียงว่าไอความคิดว่าเราเนมันถูกสะ ก, กัด รัดเข้ามาว่าเวลาเราบอกว่านั่นเขาเราก็เอาทั้งตัวนะแต่พอบอกว่าผมของเราเราก็กลายเป็นอื่นจากผมความรู้สึกเรามันแบ่งนะเล็บตัดหลุดจากเล็บไปนี่เล็บของเรานะมันก็หลุดจากานิ้วตัวเองไปความคิดมันตัดรัดเข้าไปอย่างนี้ ไอ้ตรงนี้แหละฮะผมกาลังจะนําท่านเข้าไปสู่ความคิดในทางปรัชญาในอินเดียนักบวชสมัยก่อนเนี่ยเขาพยายามที่จะ <c oughs> สกัดความเป็นเราออกห่างหรือลัดเข้าไปสู่จุดแคบที่สุดเฉพาะที่สุดจากสิ่งที่เป็นของเราพิเศษกว่าที่โลกพูดโลกพูดเนี่ยไอเราเราคือเราทั้งตัวเราเราไงนะ ของเราก็คือไอ้ข้างนอกแต่พอเป็นนักคิดพูดแล้วเนี่ยเขาพูดรัดเข้ามาว่าเรามันอยู่ตรงไหนไอช้ชาโลกบอกว่าเอา้าที่ของเราที่ของเราไม่ใช่เราเราคือต้องกระหัวจุดเท้านักคิดก็มาคิดว่าเอ้ไอ้เราทั้งตัวมันเราทั้งตัวจริงๆหรือเปล่าผมเราไม่ถ้าเรามันทําไมถอนได้ทำไมโกนได้นะฟันถ้าเป็นเราทำมันหลุดได้หักได้ นั้นไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันจะต้องลึกซึ้งพิเศษกว่านั้นร่างกายเราผมเรามันเป็นแต่เพียงของเราเท่านั้นเองนี่ความแก่ความชรามันก็เป็นแต่เพียงของเราเท่านั้นเองเราที่แท้จริง น, น, นั้นคืออัตตาที่วังลึกที่แต่ละฝ่ายจะอธิบายว่ายังไงมากวกมากอย่าง อย่างตั่วไปคือความจิตวิญญาณของเรามองไม่เห็นตัวกลองร่างนี้อยู่แหละนี่แหละคือเจ้าของเจ้าของร่างร่างนี้เป็นของเราเป็นทรัพย์ของอัตตาเป็นสมบัติของอัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อร่างเป็นของเราร่างจะมีอาการเกิดความเกิดนั้นก็เป็นความเกิดของเราของอัตตานะฮะความเกิดของอัตตาความแก่นั้น ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอาาัสตาความตายที่ปรากฏแก่ด้านนี้เป็นความตายของเรานี่เรียกว่าอาัตตากับอัตตานียะมันเข้ามาคู่กันอย่างนี้ใครใคเขาก็พูดกันอย่างนี้พูดอย่างเอาจริงเอาจังไอ้าบ้าน พ, าพูดแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดทัศนกติเอาเป็นจริงเป็นจัง ชัดลึกอะไรมีจะเรียกว่าจริงจังแต่จะพาะความรู้สึกแต่ว่านักคิดเนี่ยเขาหาตัวให้ได้จริงๆเกิดลัทธิอัตตานุสิติขึ้นทีนี้เวลาคนมาคิดเรื่องเราอยูา่านี้ถ้าว่าเอาอย่างพระองค์นี้ก็ไปคงจะไปแฝงเอาไอ้ความคิดอย่างนี้มาพอมาฟางังพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยตั้งหลักเรากับของเราไปกระธรรมะหมดเลยสมุทประเทศอริยสัจตัวทุกทุกของเรา พกอัตตาตัวตนไว้ในใจนี่โลดของเรามักของเราเราเราก็ของเราไม่เลิกเลยกลายเป็นว่าเอาความคิดเห็นแบบอัตตานุติยมาใช้กับธรรมะรู้เห็นอะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรเอาไปเข้าหลักเราของเราหมดเรียกไม่เหลือเพราะฉะนั้นคำว่าชาราและมรณะเป็นอย่างอื่นผมอธิบาย สรุปวิธีว่าเป็นคำพูดอีคคำพูดหนึ่งที่หมายว่าชาาและมรณะอื่นจากเราไม่ใช่ตัวตนเมื่อชรามรณะไม่ใช่ตัวตนชราและมรณะของใครคนนั้นก็เป็นของอัตตาของคนคนนั้นเหตุนั้น จะพูดว่าผู้ที่พูดว่าชาาและมรณะเป็นของเราก็เท่ากับพูดว่าชร า, าและมรณะอื่นจากเรานั่นเองใช่ไหมอื่นจากเราก็าเราเป็นอันหนึ่งเป็นผู้เจ้าเกาะผู้เป็นเจ้าของชร า, ามรณนะอื่นจากกันอื่นกับของเป็นไวยพจน์กันใช่นะและที่ท่านตัดต่อไปว่าชาาและอาชาามรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำว่าของผู้อื่นหมายความว่า ชาลาและมลนะของตัวเราก็เป็นของอัตตาเราชาลาและมลนะที่เป็นของคนอื่นก็เป็นของอัตตาคนอื่นก็หมายว่าแต่ละคนมีอัตตาและเมื่อแต่ละคนมีความแก่และความแก่ไม่ใช่อัตตาอื่นจากอัตตาก็คือความแก่ของใครก็เป็นของอัตตาของคนนั้นเวลาผมพูดบอกว่าเออชลามาของผมเป็นของผม ตัวผมไม่ได้แก่ไปด้วยเป็นอื่นจากไอ้ความแก่ที่เป็นของผมความแก่ของคุณก็เป็นของคนเป็นอื่นจากอัตราของคุณหมายความว่าไงยืนอยู่บนหลังอาตาัตราและนอกจากว่าจะยอมรับว่าอัตราของตัวมีแล้วก็ยอมรับคนอื่นเขาก็มีอาตาัตราเหมือนกับเรามีอาตาัตราเรามีความแก่อื่นจากอาตาัตราคนอื่นก็มีความแก่อื่นจากอัตราของเก่าเพราะฉะนั้น ตัวพุทธเจ้าถึงตรัสว่านี้เป็นเป็ น, ปนวัยพจน์คือเป็นคําพูดต่างแต่มีความหมายเหมือนอันนี้มาดูเนื้อความต่อไปที่ตรัสว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีตอันนั้นสลีละก็อันนั้นความอยู่ประพืชปรมจรรันไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีตอย่างอื่นสลีละอย่างอื่นความประพืชปรมจรันรย่อมไม่มี ตรงนี้พระพุทธเจ้ากำลังเรอจะชี้โทษให้เห็นว่าคนที่มีความเห็นผิดเกี่ยวกับหลักอัตตาเนี่ยครับความเห็นผิดอันนี้ทาลายความเจริญในธรรมชั้นสูงคนเท่ากับพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีความเห็นว่าอัตตามีเนี่ยเป็นอธิยะไม่ได้บรรลุมรรคไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าความเป็นจริงนั้นมันมีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะใครที่สำคัญว่ามีอันตาตัวตนคนนั้นบรรลุมรคผลไม่ได้และตรงนี้นะได้เคยพูดกันมาแล้วในเรื่องของปริญญาปัญญาว่าในกรณีของคนปฏิบัติวิปัตนากรรมฐานนี่ถ้าพูดถึงว่าเป็นวิปัตนากรรมฐานนะจะต้องชำระความเห็นให้ตรง และความเห็นนี้จะต้องทำร้ายตรงหรือไม่ใช่ความเห็นอื่นตวามเห็นอื่นเป็นเรื่องเล็กแล้วแต่จะต้องมีความยอมรับว่าอัตตาตัวตนไม่มีมีแต่กระแสธรรมชาติถ้าคิ ด, ดว่ามีอัตตาตัวตนแล้วก็ไปล่อยปฏิบัติเพื่อที่จะเห็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันเกิดภาพเพีย้ยนทําแล้วก็ลองคิดดูฮะถ้าเราไปเจออัตตาเนี่ยกิเลสเราลดหรือกิเลสเราเพิ่มกิเลสฉันสูงนะ เพิ่มว่าหนูนี่อัตตาของเราเกิดความเป็นปลืม้มเกิดความภาคภูมิก็หมายวก็ว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันเข้มข้นในขั้นละเอียดขึ้นแต่ถ้าคนยอมรับว่าไม่มีอัตตาตัวแล้วทุกคนเนี่ยเสมอเท่ากันไม่ใช่ของไกลเนี่ยไอ้ความเรียกว่าไอ้พารดลภาพของทางญาณปัญญามันเกิดความรู้สึกสํานึกในทางพาราดลภาพก็เกิด ไม่มีอะไรเลยมันเป็นของที่ต่างคนต่างก็เป็นกระบวนการธรรมชาติเท่ากันไอ้ตรงนี้นะี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเราก็ฟังโดยหลักแต่คนที่เข้าถึงแล้วยังจับจิตจับใจเนี่ยเวลามันได้ความรู้สึกอย่างเกิดจากการเข้าถึงเนี่ยมันแจ้งชัดในคําพูดอย่างที่ผมพูดนี้นะอย่างชัดแจ้งแล้วเกิดการปล่อยวางอย่าง ทราบซึ้งกินใจเลยทีเดียวมันไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าพูดเป็นเพียงแนวความคิดในทางหลักหรือในทางปรัชญาสวยหรูแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกน้อมรับที่แท้จริงแต่คนที่เข้าถึงซึ่งผมไม่ได้หมายไปถึงบั้องบรรลุอริยะเนี่ยนะจะเข้าใจตรงนี้ได้อย่างน้อมรับในชั้นความรู้สึกอย่างทราบซึ้ง แล้วไอ้ความเมตตากรุณาความอาต่อบ ร, รับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมันเกิดไอ้ภาวะพอดีพอดีถูกต้อง เ, ดดเกิดดุลเกิดไอทิศไม่รู้จะอธิบายอย่างไรละ่ะถือว่าโดยสรุปก็คือเป็นของอัศจรรย์ของธรรมะของการเข้าถึงสภาวะที่เป็นธรรมะอันละเอียดแยกยลอย่างนี้ซึ่งไม่มีในาศาสนาอื่น อ่อันนี้ผมจี่พูดเราะ่ะพูดกว้างๆเดี๋ยวจะเข้าเจาะคำพูดแต่ละคำนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะนั้นคำว่าพรมจรจรย์เนี่ยจึงหมายถึงมรคพรมจรรย์เราเลยจับหลักได้อ ท, ที่ว่าเป็นผู้เข้าถึงวิปัสนาญาณมรรคอลในระตามถ้าลองมีทัศนะความคิดเห็นว่ามีอัตตาตัวตนแล้วก็ถือว่าล้มเหลวล้มเหลวในทางการปฏิบัติจิตภาวนาของพระพุทธศาสนา ใช้ยานที่หนึ่งก็ไม่ได้ครับเรากล้าพูดเลยในทางหลักนะยานที่หนึ่งไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีคุณวิเศษทางฤทธิ์ทางอำนาจสมาธินําเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะเอามาปนหรือเองมาเป็นตัวรับรองความเข้าถึงอาเรียคุณในสายวิปัสสนาไม่ได้แต่ข้อความตรงนี้พุทธเจ้าจัดไว้มากแหงว่าเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นหม่ำจากการประพฤติปรมาจัก เป็นหมันเพราะถูกไอ้ความเห็นผิดเรื่องอัตตาตัวตนเข้ามาตอนเมื่อเป็นหมันแล้วก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะให้กำเนิดมรรคผลได้ไม่ใช่เราอย่าเอาเรื่องทางลิตาอะไรมาใช้ปนกับหลายนี้แม่ต้องชัดเจนนะพอเรื่องสมาธิเรื่องลิเดชเนี่ยอินเดียเขาถนัดกันมานานแม่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังเก่งกันอยู่แต่เขาเหล่านั้นยังเห็นว่ามีอัตตาตัวตนมีเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธ เชื่ออานาจบรรดาตอนาั้นความเป็นตัวของตัวเองความพึ่งรู้สึกว่าพึ่งตัวเองในขั้นเบื้องสูงนี่มันพิเศษกว่าขั้นธรรมดานี่มากไอขั้นธรรมดานี่มันได้เพียงว่าเรามีความสามารถเราก็ไม่คิดว่าจะไปพึ่งใครละอกใครสุขสิณฑ์ทุกอย่างจะต้องไปขึ้นกับใครแล้วก็ไปยอมสิโล ล, ลากบไปเข้าไปทั้งปิดบ้างถูกบ้างนี้แต่นนคนที่เข้าถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยพบ ความหมายของคําว่าอัตาอตาเดชตนาสนานาโถ น, นะในความในคําพูดสมมุติเนี่ยว่าอ๋ อ, อ, อไอการพึ่งกับความที่ขันของเราจะเป็นอย่างไรอย่างไรได้เนี่ยก็คือทํำด้วยแรงของขันนี้เองให้เป็นไปนั่นแหละครับคือพึ่งตัวเองที่พูดอย่างภาษาพุทธมันนี้ต้องเราเราต้องเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็จะอะถึงว่าเราเองเราจะนิยม แต่ว่าถ้าเราเข้าใจตัวนี้ชัดแล้วดูพุทธประสงค์ความหมายชันแล้วต้องยอมรับอันนี้แล้วเราก็ลองมาชั่งน้ําหนักดูว่าเออถ้าเราคิดว่าเป็นมีตัวตนมีความเป็นไปต่างๆไปทางหนึ่งกับว่าการยอมรับว่าไม่มีตัวตนแล้วก็มีผลได้ควาไมไปอย่างหนึ่งอันไหนจะสมควรกว่ากันเราก็ชั่งเอาความคิดพิจารณาในทางเหตุผลก็ไปชั่งน้ําหนัก อาจจะระบวกกับไอประสบการณ์ทางปฏิบัติอะไรๆด้วยแล้วก็อาจจะดูคนรุ่นก่อนคนนอกศาสนาหรือแม้แต่คนในศาสนามาชั่งน้ำหนักด้วยวะหลักศาสนาพุทธเนี่ยมันควรจะออกไปในลักษณะไหนจึงจะดีที่สุดก็ปรากฏว่าเราก็ทดลองชั่งน้ำหนักดูแล้วก็ยังเห็นว่า การอธิบายศาสนาอย่างนี้การประพุทจาสอนอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้ดีที่สุดกว่าแม้ให้ความรู้สึกชั้นนอกเราเนี่ยเราจะยังกลับไม่สนิทยังมีกิเลส จ, จักไปไปนิยมอีกทางหนึ่งเราก็ยังมีความสื่อสัตย์กับไความคิดอย่างนี้ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็มาดูว่าที่ท่านตรัสว่าเมื่อมีทิฏฐิชีพอันนั้นสลีละก่อนนั้น นีข้อความหนึ่งนะแล้วก็อีกบรรทัดมันบอกว่าชีพอย่างหนึ่งสิริราชก็อย่างหนึ่งสองข้อความนของอัตตาลุทิฐิมันมีอยู่สองกิ่งความเห็นผิดว่ามีอัตตาเนี่ยมีอยู่สองสายสายหนึ่งเห็นว่าตัวตนะร่างกายเหล่านี่แหละเป็นอัตตาอีกเรกียกว่าเป็นชั้นหยาบชั้นตื้นวั อัตตาเราคือร่างกายและเมื่อถือว่ามีอายุจํากัดอัตตาของพวกนี้จึงมีอายุจํากัดมันเราตัาวเรามีจริงๆคือนี่ผมนี่แหละผมลากสายลากสายไม่ใช่ตัวตนมันไม่เหมือนผมเราฟันเราไม่ใช่มับที่เป็นตัวตนต่างจากเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดน้ําเต้าเมล็ดน้ําเต้าไม่ใช่ตัวตน แต่ไอ้รูปนี้อย่างนี้เป็นตัวตนเลือดเราเป็นตัวตนต่างจากน้ําในแม่น้ำเพราะนั้นรูปของเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นตนก็ดีร่างกายก็ดีที่ในที่ใช้คำศัพท์ดีลานะ่ะไม่เอื่นจากกันอย่าไปหาตนอื่นเลยตนอื่นไม่มีหรอกตนของเราก็คือไอ้ที่เราจับต้องได้นี่แหละพวกนี้แหละครับเขา ประกาศความเป็นตนอยู่ที่สลีละจึงกล่าวว่าชีพชีดเนี่ยเป็นไวยพจน์ของคําว่าอัตตาชีวะอีกคำนวนหนึ่งในครังพุตธการชีพอันใดสลีละก็อันนั้นนั่นเองครับไม่อื่นจากกันนี่เป็นพวกวัตถุนิยมากลายเป็นตนจริงๆนะมีความยึดติดว่าเป็นตนจริงๆเหมือนอย่างเรา เราก็มีความรู้สึกว่าผมนี่เป็นเราจริงๆเราเรามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยนะใช่ไหมหลักการเราก็ไม่เคยคิดรู้สึกว่าผมเรานี่คือเราจริงๆถึงเดี๋ยวนี้พอรู้หลักการบางยังอดไม่ได้ใช่ใ ช, ใช่ไม่ได้ยังอดไม่ได้เผลอเผลอประจำคราวนี้พวกที่ถือว่าตนไม่ใช่ร่างกายตนคือดวงจิตวิญ ญ, ญาณอาตามันชีวะ ที่มองไม่เห็นตัวหรือจะเรียกว่าเป็นกายชิพอะไรก็ตามเถอะสิงอยู่ในนั่นเป็นชีพนั่นคือตนเป็นตนที่ไม่ใช่สรีละเขาจึงกล่าวว่าชีพอย่างหนึ่งคือชีพเป็นอันหนึ่งอัตตาเป็นอันหนึ่งก็เท่ากับ ว, ว่าเมื่อชีพไม่ใช่สลีละสลีละจึงเป็นของชีพคือสลีละเป็นของตนนั่นเอง เมื่อสลีละแก่ความแก่นั้นก็เป็นของตนความแก่คนอื่นก็เป็นของคนอื่ น, นพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสในข้อสองว่าเป็นการขยายความว่าใครก็ตามที่ลองคิดลองเชื่อว่ามีตนจะด้วยญาณวิถีใดๆก็ตามและจะถือว่าตนเป็นร่างกายหรือตนเป็นจิตวิญญาณ คนนั้นปฏิบัติมีปรัสนากรรมาฐานไม่ขึ้นเอาอย่างนี้แหละครับผมถามว่าเวลาไปปฏิบัติกรรมาฐานอาจารย์นี่ก็เคยบอกไหมว่านี่นาโยมเวลายโยมนั่งเมื่อยเนี่ยโยมต้องคิดให้มั่นเนนะว่าไอ้ความเมื่อยเป็นของเรานะโยมนะขาที่มันเมื่อยก็เป็นขาของเรานะเวลายโยมฟุ้งก็ฟุ้งเป็นโยมนะโยมเป็นคนฟุ้งนะฟุ้งเป็นของโยมนะเขาท่านบอกงี้หรือเปล่าท่านพูดตรงเันข้ามเลยแต่เรา เราคิดตรงกันข้ามคิดอย่างปลาพูดหรือคิดอย่างเราอยากจะคิดเราอยากจะคิดอย่างนี้เลยคิดปลาพูดแล้วเราก็คิดไม่ออกทําใจไม่ได้ว่าเอ๊ท่านบอกว่าฟุ้งไม่ใช่ตนเจ็บไม่ใช่ตนเฮแล้วทําไมมันเจ็บละ่ะทําไมเราถึงเจ็บละ่ะทําไมมันไม่หลุดไปเป็นอื่นละ่ะเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าอะไรรล้ไหมนี่เราก็ได้คําตอบมาแล้วนะฮะ ว่าไอเราเนี่ยเราเข้าไปยึดจนกระทั่งลองคิดดูไ ง, ไง่ายง่าว่าอา้าวอย่างคนมีลูกเป็นดีลักมีสามีภรรยาเป็นดีลักใครเข้ามาตีหัวคนที่เรารักแม้แต่หมาลองไว้ลักเนี่ยใครเข้ามาด่าเข้ามาตีเราเจ็บไหมเจ็บมากนะขนาดตัวตีเองยังเจ็บมากกว่าคนถูกตีเอ๊ะความเจ็บนี่มันมันมีสายโยงเข้ามายัางไงเนี่อาธรรมุลตตอนนั้นมีคนบอกว่า หมาไม่ใช่โยมนะโยมโยมไม่ใช่หมาเอออย่างนี้ก็จริงของพระแตะแต่ว่าแมบอกเขาบอกเขาโยมไม่ใช่หมาหมาไปโยมเพรนั้นใครก็มาตีหมาโยมโยมไม่น่าจะเจ็บไม่น่าจะเดือดร้อนไม่น่าจะนอนไม่หลับไม่น่าจะแหมลองลองนึกถึงคนในผูกพันเนี่ยนะมันวิจัยบอกให้ดูคนมีบ้านบานถูกไปไหมมันสะเทือนเหลือเกินน่ะ คนมีความรักเขามีเปลี่ยนเป็นอื่นไปรักคนอื่นมันเจ็บเหลือเกินบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วคนละเรื่องคนละเรื่องแหละมันเข้ามาทางไหนเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของอุปาทานมันมันเข้าไปไปผูกพันอีท่าไหนก็ไม่รู้นะนี่ขนาดของข้างนอกนะนี่ถ้ามันอยู่ในตัวเราเนี่ยไอ้ตัณหากิเลสเรามันเข้าไปยึดสนิท มันเจ็บมันปวดก็แล้วมันลามรู้สึกมันมันสะเทือนใหญ่โตแต่ว่าพอเวลาเราถอนได้เราดูจากข้างนอก เ, นเราถอนได้ปุ๊บรู้ว่าไอ้คนนี้เราตัดใจได้แล้วเขาไปเป็นไปตายใครมาตีมาเขาจะไปยังไงเจ็บไหมไม่เจ็บนี่ถ้าถอนได้เราจะรู้สึกอย่างไงอ่าทีนี้อันนี้หลักเดียวกันเดียวกันนะ พอมาถึงตัวเราเองเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันรู้สึกได้เห็นชัดกับความรู้สึกในการกําหนดเห็นเลยว่าเวทานาเป็นสภาพอันหนึ่งตัวกําหนดรู้เป็นสภาพอันหนึ่งตัวกําหนดรู้เป็นแต่สภาวะธรรมเหมือนกันอาเวทานาที่เป็นทุกข์นั้นเป็นแต่สภาวะธรรมเหมือนกันมันมาทําอะไรแล้วแล้วมันอธิบายแบบเมื่อกี้นะเอ๊มันเจ็บตรงไหนมันมาทําให้เราเดือดร้อนตรงไหน มันเห็นที่อธิบายกับตัวเองได้มันไม่ถูกครอบงำํำมันไม่เจ็บแล้วก็ในที่สุดเนี่ยไอ้ความสุขของเรามันกับอาศัยความเจ็บปวดเจ็บปว่วยเกิดได้ประหลาดมากเลยตรงนี้นะถ้าคนปฏิบัติพอปฏบิบัติบ้างพูดแล้วเข้าใจทันทีว่าเราเป็นสุขกับอัยยณะที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ปีติก็เหตยานาที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเมื่อเรากำลังเป็นทุกข์แล้ไม่รู้ว่าเออเรานี่ไปสร้างเวียนทางกรรมอะไรไว้พอตอนหลังมันรู้ว่าเราสร้างเวีนทางกรรมอะไรวะอย่างชัดๆเนี่ยมันเกิดโอ้โหโสมนัตเราได้ถ้าจว่าผ่อนเวียนใจกรรมอะไรแล้วนะมันรู้สึกมันหลุดเกิดโสมนั้นแล้วไอ้ตรงนี้ทําให้เราเนี่ยไปประสบอนิจจ่าลมทุกชนิดเป็นสุขได้ เป็นสุขอย่างเข้าใจนะไม่ใช่หลับหูหลับตาเป็นสุขเหมือนกนบ้าปเป็นสุขอย่างเข้าใจอย่างได้ปัญญาจากการเห็นความไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเราจึงได้ข้อยุติว่าคนที่สำคัญว่าตัวเองเป็นตนเนี่ยเอาแค่ขั้นร่างกายอย่างพวกวัตถุนิยมว่าเรามีจริงๆเมื่อก่อนนี้ก่อนเข้าว่าใครก็มาดูถูกมาอะไรตัวเรา ไม่ว่าจะชี้ไปทางขมคนเล็กเราโกรธเราเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วก็เราก็ถนอมตัวหวงตัวกลัวจะลําบากแล้วก็พกเอาความรู้สึกอย่างเลี่ยครับเข้าไปปฏิบัติวิปัสนาถามว่าจเจริญได้ไหมไม่ได้นีสัยคนจเจริญในวิปัสนาไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งลองรับความสุขความทุกข์เล่นกับความสุขความทุกข์ด้วยเอาตัวออกมา จัน เ, เรียกว่าแค่ถือว่าร่างกายเป็นตัวตนเนี่ยก็เห็นชัดเรามันขวางอย่างนี้แล้วคนที่บรรลุธรรมชั้นสูงที่มีคําพูดก็บอกว่าคนยิ่งสูงยิ่งธรรมดาเคยได้ยนินไหมคนยิ่งสูงยิ่งธรรมดาเราฟังแล้วก็เข้าใจเลยอ๋อยิ่งสูงยิ่งธรรมดาคนยิ่งต่ํำ ยิ่งไม่ใช่ธรรมดาไอ้ธรรมดามายถึงวางตัวธรรมดารู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นธรรมดาคนอื่นก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าคนมีอัตราตัวตนคน เ, เรียกว่ากิเลสกิเลสมากเาเรียกว่าคนต่ำก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ธรรมดานี่เป็นคําพูดที่พูดถึงทำท่านพูดไว้ผมไม่ได้พูดเองเอาละคราวนี้มาถึง จุดที่สามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนวิสุทตาขาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่คล้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นคําว่าตาขาโคแสดงธรรมโดยสายกลางเนี่ยหมายความว่า เ, าเรื่องสายกลางเนี่ยผมก็พูดมาเป็นค่าวๆบ่อยแล้วแต่ตรงนี้ก็จะพูดอีกทีหนึ่งว่าสายกลางไอ้คําว่าสายกลางสายกลางมีสายกลางโดย คิิอันหนึง่งกับสายกลางโดยปฏิปทาต้องอย่างนี้สัมพันธ์กันสายกลางโดยคิฐิก็คือไม่สอนว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่สอนว่ามีอย่างเป็นตัวเป็นตนก็คือสอนว่ามีอย่างไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่สอนว่า มีอย่างเป็นตัวเป็นตนนะคือไม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่ามียังไม่เป็นตัวเป็นตนอันนี้เรียกว่ากางกลางๆเพราะนั้นไอเราเนี่ยชอบหาเรื่องกธรทำมาอยู่เลยนะอันหนึ่งบอกเอ๊ะถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีมันก็กลายเป็นคนไม่รับผิดชอบอะไรเสียเขาเรียกว่าพูดแบบหาเรื่องการรำมะหาเรื่องจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราเร า, เราเแกล้งพูดเชียร์ธรรมะ คื่อให้ความคิดเราเนี่ยมันไม่เข้าร่องพอดีพอดีเราคอยจะคิดว่าถ้าไม่มันก็ต้องไม่กันลาบอนาศูนย์ไปถ้ามีถ้าเอามันก็ต้องกรอบเอาโกยเอามีกันให้หนําไปเลยทําก็ทํากันให้ทะลุไปเลยอะไรอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นลักษณะไม่สุตรองถ้าเป็นลักษณะสุตรง ซึ่งสางศาสนานั้นแสดงอะไรมีลักษณะที่พอดีพอดีอดตรงนี้น่ะผมถือว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีจุดมันไม่ใช่เฉพาะไอ้เรื่องตรงนี้เท่านั้นนะธรรมะทุกอย่างกุทิจารย์มีลักษณะพอดีพอดีและยืดหยุ่นปรับตัวอย่างเหมาะสมนะแบบไม่กลมกลืนอย่างเหมาะสมคือกลมกลืนอย่างไม่ทิ้งความถูกต้องและกลมกลืนอย่างควรจะเป็นและเป็นไปได้ หลักศาสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องไปเลยเป็นใครที่อธิบายสุดแปันหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรมักจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สอดคล้องพอเหมาะพอดีในเรื่องของธรรมชาติสูงเหมือนกันฉะนั้นอย่างตัวเราเนี่ยถามว่าไม่มีตัวตนจึงไม่มีอะไรเลยหรือแล้วเรามีเพราะมีนานลูกจึงมีตัวตนหรือไม่ใช่เกินไป แล้วก็บอกพาะไม่มีอัตตาตัวตนชาติหน้าจึงไม่มีหรือไม่ใช่เพราะชาติหน้ามีจึงมีตัวตนเป็นผู้สร้างชาติไปเกิดชาติน้าหรือไม่ใช่เนี่ยมันเฉียดไปเฉียดมาและเพราะกรรมมีจึงมีผู้ทำกรรมหรือเอาไม่ใช่เพราะไม่มีผู้ทำกรรมกรรมจึงไม่มีแล้วเอาไม่ใช่ไปจุดพอดีตรงนี้นะ่ะมัน หลบตานักคนนักคิดนักปฏิบัติมานานแล้วแต่ว่าไม่พ้นสายประเนตของพระพุทธเจ้าและไอ้ตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าจุดพอดีเนี่ยนะจุดพอดีในทางความคิดเนี่ยไอ้เราเราพูดกันมานานน่ะผมก็ได้ยินมานานว่าอจุดพอดีมันทำยากหายากวางตัวยาก จุดพอดีที่เป็นจุดที่เราจะใช้เป็นฐานเริ่มต้นจับให้ได้แล้วมันจะเกิดความพอดีอย่างอื่นตามมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คือเมื่อเรายอมรับว่าอะไรอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมาจา ก, กจิตก่อนนะถ้าเราสร้างบุญทางจิตได้สร้างความพอดีทางจิตได้ไดทางอื่นมาทีนี้ไอ้ทำอย่างไรจึงจะสร้างความพอดีทางจิตได้ โดยอาการอย่างไรด้วยวิธีอย่างไรเนี่ยนี่พูดนะว่าถ้าอธิบายเรื่องนี้เป็นเอกเทศก็คงว่ากันเรื่อยไปนะแต่ตอนนี้มันเรื่อยไม่ได้เพราะมันถูกอันเดียวกับสูตรแล้วว่าอย่างที่เราบอกว่ายินเนยยาอวิชาโทมณสังอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายอันนี้คือมันเป็นผลได้ขั้นหนึ่งในเบื้องต้นในขั้นเหตุแล้วก็ในขั้นเบื้องปลายเป็นบุคลิกของผู้บรรลุแล้วก็ด้วย ีนี้ไอ้ตรงนี้มันจะได้มาจากยังไงได้มาจากการที่บุคคล น, นั้นไม่เห็นว่ามีตัวตนมีนามมีรูปเท่านั้นคือถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็มไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีที่สูกใจเลยเห็นว่ามีตัวตนมันก็กลายเป็นสุดโตง่งไอ้ความพอดีการวางใจการวางอุเบกขามันเกิดไม่ได้ผมก็ต้องขออาภายัยมันพู้แค่นี้มันห้วนไปนะ ก็ให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ที่ฟังแลวเข้าใจได้ทันทีก็แล้วกันทีนี้เอาละไอ้การทิ่วเราไป ว, วางใจอะไรต่างๆเหล่านี้ได้มันได้มาจากไหนตอว่าได้มาจากการสมาทานทิฏฐิทิฏฐิเบื้องต้นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไปฟังคนที่เขาสอนมันมีอัตราตัวตน แบบหยาบเราก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวหยางขัดขวางประโยชน์หยาบเราไปฟังคนสอนว่ามีอัตราตัวตนขั้นละเอียดเราเกิดความาขัดขวางประโยชน์ละเอียดเอาอย่างนี้ผมยกเลยอย่างจัดว่าสมมติเราพ่อแม่เราอย่างเช่เราเห็นพ่อแม่บางคนสอน <c oughs> ว่าเนี่ยเราต้องเราเป็นอย่างน้นเราเป็นอย่างงี้พูดสร้างพูดจกอัตรานะ พูดส่งเสริมความเห็นแก่ตัวลูกหลานจะเห็นแก่ตัวครับผมเห็นมาแล้วเห็นแก่ตัวจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้น่ะจะไม่เอาใครเอาตัวเองเป็นสําคัญนี่เรียกว่าสอนอัตตาอยา่างคนเห็นแก่ตัวอยา่าง้านนี้มาพูดถึงระดับนักบวชเข้าป่าไปคนพบอัตตาตัวตน อ, ตอิต่าเลยนะ พวกนี้นะมานะจะจัดทิฏฐิจัดอย่างพวกผู้ศรีทีปลายอย่างในอียเรียนสมัยก่อนนะได้ฌานได้สมาบัติันสูงสูงเนี่ยมานะจัดทิฏฐิจัดไม่ว่าจะเป็นชจดินไม่ว่าจะเป็นใครๆอย่างไรคนนะเพราะฉะนั้นเมื่อไอ้เขาเนี่ยเขาไม่มาสแสวงหาหผลประโยชน์ชั้นต่ำหรอกแต่ว่ามุ่งประโยชน์ชั้นสูงเกิดความเต็มภาคภูนะประโยชน์ชั้นสูง สิ่งเหล่านี้ขัดขวางมรรคผลนิพพานเวลาพระพุทธเจ้าจะโปรดพวกนี้ต้องละลายพวกนี้นะเวลาเขาจะหมายมั่นนี่ย็ขาจะหมายเขาจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าไม่ได้เขาจะต้องไปสู่ไกลวัญญภูมิไม่ได้ต้องถนอมตัวต้องอะไรต่างๆคิดเป็นลักษณะเอาตัวไปแบบเชิงเห็นแก่ตัวในขั้นละเอียดไอ้เอจ้าบ้านไม่เข้าใจความรู้สึกเขาดีหรอก แต่ว่านักพรตเดียกันเข้าใจกันพระพุทธเจ้าต้องเปืืองความรู้สึกอย่างนี้ถอนความรู้สึกอย่างนี้อย่างเป็นชาลาสาคัญแก่นักบวชนอกศาสนาที่จะเข้ามาสู่มรคนในตบุทรศาสนาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนหลักกลางในทางความเห็นเหล่านี้แล้วก็หลักกลางในทางปฏิบัติว่าไม่ สุดตรงอัตกรกมิทานโยกแล้วก็การมรรคกันหรการโยกอัน น, นนี้ผมก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเป็นพวกถือว่ากายเป็นตนพวกนี้จะเป็นนักบริโภคคือเสกสุขทางเบญจาการมคุณอารมณ์เป็นพวกถือตนชั้นต่ำ พวกอัตตะพวกการมาสุขหรือกานิโยคในอินเดียปฏิปทานี้นะ่ะเกิดแก่พวกไหนเกิดแก่พวกที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตนนิพพานเนี่ยจึงมีในปัจจุบันนิพพานจับต้องได้โดยมือเห็นได้โดยตาลิ้นได้โดยรถเดินโ ด, ด, ย, ดยลิ้นทีนี้ถ้าพวกที่ถือว่านามเป็นตนพวกนี้จะมุ่งแสวงหาความสุข ทางในกับอนาคตถ้าเป็นพวกเมื่อกี้ก็ทางนอกกับปัจจุบันทางในอนาคตนหมายกับว่าความสุขเขาน่เกิดจากความอิ่มเอมกับอัตตาที่ประสบความสำเร็จของเขาที่เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างพวกไดชานได้สมาติอย่างนี้นะแล้วก็หรือมีสมรรถภาพชีวิตดีๆเข่นเป็นคนเฉลียวฉลาดอะไรต่างๆก็เป็นว่าเขาภาคภูมิในคุณภาพ อัตตาของครับอนาคตก็หมายถึงว่ า, mm hmm. เ, าเกิดปฏิปทาที่จะถอนอัตตาออกไปจากอัตาภาพเห็นว่าอัตาภาพนี้ไม่น่ารื่นลมไม่เป็นของสุขสถาพรก็พยายามที่จะไปสู่สวรรค์คือไปอยู่กับพระพรหมไปอยู่กับพระ mm hmm. อะไรของเา้าสมายัยพุทธเจ้าหรือถ้าเป็นพวกปฏิเสธพระเจ้าอย่างศาสนาเจน ก็ปฏิบัติทําตนให้ลําบากทรมานตนให้ลําบากแบบอย่างที่เราเคยพูดกับว่าบางแล้วนะหรืออย่างที่มีอยู่เดือวนี้ถ้าเป็นพวกนับถือพระเจ้าแบบปรามก็ทําให้ลําบากคือทํากองกองกูลทําสัตว์ให้ลําบากทําตัวเองให้ลําบากที่เรียกที่พระเจ้าเรียกว่าผู้ที่ทําตนให้เดือดร้อนด้วยทําผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย เพื่อให้ถูกใจพระเจ้าปฏิปทาก็เลยออกไปเป็นสองอย่างนั้นไม่พอดีพอดีทีนี้มาดูพระพุทธเจ้าตานข้อความสุดท้ายว่าที่ท่านบอกสอนทำสายกลางไม่สุดตรงในทางความคิดคือสอนว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องชะลาโมลณาเนี่ยคือสอนว่าชะลาโมลณาเนี่ยมีพระชาติเป็นปัจจัย ก็ตรงนี้ก็ฟังดูแล้วไม่เห็นจุดอัศจรรย์ถ้าลาพังหานแค่นี้นะแต่อธิบายแล้วก็อาจจะยังไม่เห็นก็ได้คือว่าชะลามรณะมันไม่ได้เป็นของใครที่ใครทําให้เป็นแต่ว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยและเหตุจากปัจจัยสำคัญและใกล้จิตของชะลามรณะก็คือชาติคือใ น, นเรื่อง ที่เราพูดในหลักตามสั้นๆในอันหนึ่งว่าถ้าเราพูดโดยอัตตาเนี่ยเราจะบอกว่าสร้างใช่ไหมยอย่างเช่นบอกว่าบ้านหลังนี้พูดอย่างภาษาโลกเอาอัตตาพูดก็บอกว่าใครเป็นผู้สร้างเราก็บอกว่าสร้างสร้างคนนี้ออกเงินสร้างเอาจ้างบ้างเอาคนออกเงินบ้างเก็เาคนเอาใจเข้ามาเป็นผู้สร้าง แต่เราไม่เคยถามเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เกิดจากเหตจากปัจจัยอะไรนะมันไม่พูดแล้วก็ให้สังเกตได้เลยว่าถ้าเราคิดอย่างเป็นเชิงเหตุปัจจัยเนี่ยว่าเออเรื่องนี้มันเกิดจากเหตจากปัจจัยความถือสาถือเขาถือเราน้อยนะแปลกนะนี่เดี๋ยอันนี้เป็นความคิดอย่างเราเราใช้กันนี่แหละโอ้ยเ้เรื่องนี้มันเกิดจากเหตจากปัจจัยอะไรเ่ราไอ้คนนั้นเขามาทําไม่ดีให้เห็นอย่างนี้ย เมื่อเขาทำเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรนะสัตว์มันหายความถือสาหหายแต่ว่าถ้าคิดแบบตัว ต, วตวบงบอกอีกใครน่เป็นคนทำแม้แต่เรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดจาก อ, อ, อะไรสักอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคนทำแต่เนี่ยเกณนว่าเดินผ่านต้นมะพร้าวไอ้กิ่งมะพร้าวแห้งมันหล่นลักลงมาตั้งกระบี่ โดนหัวตัวครับก็ไม่ถึงบาดเจ็บล้มตายโกรธโกรธไปถึงไอ้คนขึ้นมะพร้าวว่าให้มันล้างเขาใช้ชันตโนอาล้างคอมะพร้าวรับจ้งางมาเขาจะถามว่าล้างคอได้ไหมล้างคอหมายทําความสะอาดเอาไอ้ของแห้งลกุงลงังเอาลงมาให้มันล้างคอมะพร้าวทาไมมันไม่ล้างมันเอาแต่ลูกลงหาคนรับผิดชอบประเภทนะั้นหาตัวตนรับผิดชอบ แทนที่เพรเออแหมลมมันพัดแรงไปหน่อยนะไมีตัวตนใช่ไหมล่ะอ๋อเพราะว่าเรานี่เออไปทําเวรทํากรรมอะไรมานะอะไรนีแต่นี่จะไปคิดนะเหตุปัจจัยงี้กูไม่ได้คิดาหาใครที่เป็นตัวเป็นตนเข้าไปรับรองเหตุการณ์ดีหรือชั่วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยแก่ความยึดถือเป็นปัจจัยแก่กิเลสเต็มที่แยกเหตุปัจจัยแม้เรื่องเหล่านั้นจะเกิดจากคนคนเดียว ก็จะสลายความเป็นตัวตนคนสัตว์ออกไปพูดผีปรีศาส์เรื่องทรงเจ้าเขา่าผีทําทีว่าบรรลงบันดาลอะไรได้เราก็มองไปเชิงเหตุปัจจัยผู้มีฤทธิ์มีเดชจะเหมือนว่าจะโดนไม่ถึงก็ทราบซื้อเงาปูพิเศษวิโสบรรดาลอะไรได้เลยบรรดาลได้ไม่ได้เป็นเพียงมุมหนึ่งของเหตุปัจจัยเท่านั้นเราก็คิดอย่างนั้นก็ไม่ยิงกลับกลายเป็นว่าเขาลบเหตุ ป, ปัจจัย เห็นความสําคัญของแจกผลประโยชน์ในทางความสําคัญเนี่ยทุ่นทีมากขึ้นจริงไหมจริงออย่างเขาบอกว่าโอ้ท่านใส่บาบ้านนี่พิเศษม้องดนบันดาลนะเราเห็นนะเราก็ถึงเราไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านทำไม่ได้ถึงเราก็ยังไม่โลนอะ่ะแต่เราตอนนี้เราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราก็เห็นว่านี่ก็ธรรมดาเป็นไปบันดาลได้เนี่ยต้องบันดาลทุกคนให้หายโรคหมดสี แล้วทำไมบางคนอย่างที่เรารล้วนทำไมนับถือท่านอยู่อย่างดีเผยแพร่กิเลสคุณแต่ชีวิตไม่ประสบความสาเร็จใช่ไหมฮะอย่างที่เราเอ่ยชื่อไม่ได้แต่หลายคนได้ยินมาได้การรู้มาได้การอย่างเนี้สแสดงว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่มันเป็นตัวรองรับจึงไม่ใช่มีใครโดนบันดาลแต่คิดอย่างคนเอาอัตตามาคิดว่าเราอัตตากให้กว่าน้องกันตัวเองจัดไปอาัตตา์ตัวเองจะกลายเป็นหญิง แต่ว่าเมื่อเราวเราก็เป็นเหตุปัจจัยเขาเป็นเหตุปัจจัยอุดหนุนด้วยหลายแรงทุกอย่างจริงคำเหล็กขึ้ไม่ได้ก็กลายเป็นไม่หยิงกลายเป็นเครารพเหตุปัจจัยเหมือนคําพราว่าเครารพปัจจัยให้ความสําคัญแก่เงื่อนไขเล็กๆน้อยด้วยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาแล้วครับเพราะสูตรนี้เราสามารถจะจบได้โดยการบรรยายเพียงเท่านี้ เนื่องจากว่าข้อความที่เหลือนั้นคลายกันแล้วก็ข้อความที่พูดถึงผู้ละคือในหน้าสามเนี่ยว่าทิฏฐิไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นข้าศึกเนี่ยนะกองตันอันหนึ่งทําให้คนมีความเมินผิดนี่ยคิดใส่หาบอัตตานะะอะไรเกิดขึ้นก็อธิบายเข้าหาดีก็โกรธไม่ดีก็เข้าไปยึดติด แล้วก็กิเลสอย่างอื่นก็ตามท่วมทับเข้ามาอาเอนี่พระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนั้นแล้วส่วนอริยบุคคลเนี่ยตัดรากขาดแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คนติดอัตตาเขาเป็นเพราะอะไรเพราะ ด, ดับอวิชชาเราจะเห็นว่าท่านจะไปทิ้งท้ายว่าสารอกอวิชชาได้เหตุว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นตัวสํตัวหนุนตัวรากฐานสําคัญที่ทําให้เกิดความเห็นผิด คิดไปต่างๆนาน า, นาเดียวได้เรื่องนี้อ่าก็เลยอธิบายแบบรวบลัดแล้วก็จบอย่างจำเป็นจะต้องจบก็คืนที่